แต่วันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งที่พวกเราได้ร่วมจัดงานฉลองอายุหรือทำบุญวันเกิดหลวงปู่วันนี้ตรงกับวันที่ส7เจดมิยอห้าสองแต่วันเกิดของท่านจริงเป็นวันที่ส9้ามิถุนายนเจดสิบสอง แต่พวกเราทำบุญก่อนตามประวัติของท่านนะเป็นวันเกิดเจ้าพระคุณพระพัทลศีลสังวรเจริญราหุโรวันนี้เจ้าพระคุณครบ80สปีพันศาห59นับว่าเป็นพระเถระที่มีอายุพันศามากองหนึ่ง ในปัจจุบันสมัยเมื่อท่านเป็นพระน้อยพระนมท่านก็ได้ผลขวายศึกษาธรรมะออกเดินผู้ดงสแสวงหาครูบาอาจารย์ในสมัยนั้นท่านได้เข้าไปศึกษากับหลวงปู่สิงขันตยาธรมโบที่เป็นแม่ทัพธรรมในยุคสมัยหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่น ต่อมาท่านก็ได้ไปศึกษากับหลวงปู่เทศเทศรังสีวัดห็นหมักแป้งจากนั้นท่านก็ได้ไปศึกษากับหลวงปู่วันุดกมโมวัดไห่ดำลงอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครเจ้าพระพจนท่านได้จำพรรษาหลายแห่งตามประวัติของท่านนะ เมื่อท่านศึกษาทั้งปริยัตทั้งปฏิบัติปัจจุบันหลวงปู่จำพรรษาที่วัดประทาตเขาน้อยอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีท่านเป็นพระผู้ใหญ่คงเกเรียนอ่านในประวัติของท่านมีคำคมกินใจแก่ผู้อ่านในคำสอนของท่านอย่างมากนะอันนี้ก็คือประวัติย่อที่หลวงพ่อได้ศึกษา ได้อ่านในประวัติของท่านหลวงปู่เป็นผู้ใฝ่ในการศึกษาในภาคปฏิบัติอย่างมากเพราะนั้นพวกเราเมื่อได้รับหนังสือประวัติของท่านแล้วขอให้ไปอ่านไปศึกษาหลวงพ่อว่าจะเกิดประโยชน์อย่างมากหลวงปู่ของเราอายุ8ปดิปีดำรงทรงศาสนา มายาวนานเป็นประวัติที้น่าศึกษาทีเดียวนะนี่ยหละหลวงปู่ท่านอายุของท่านขนาดนี้อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวนะท่านเป็นพระมหาเถรระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เป็นที่เคารพนับถือในทางภาคกลางของเราแต่ทางภาคอีสานท่านก็ไม่ได้ค่อยได้ขึ้นไปแต่หลวงพ่อเองได้พบได้เจอท่านในวันสวดพิธรรมหลวงพ่อโทนนะ วัดป่าบ้านพ่อสะได้พบ่นครั้งหนึ่งนะจากนั้นก็หลวงพ่อก็ได้สืบสอบดูประวัติของท่านต่อย่างที่หลวงพ่อได้เรียนให้คณะสัทายาญาติโยมได้ฟังได้ศึกษาและทีนี้มาพูดถึงหลวงพ่อที่นี้นะหลวงพ่ออินเนี่ยกำลังเทศอยู่ขณะ น, นี้พวกเราท่านทั้งหลายก็คงยังไม่เคยเห็นก็มีบางท่านนะแต่ผู้ที่เคยเห็นก็คงจะมี เออแต่ผู้ที่ไม่เคยเห็นก็คงจะมีมากพอสมควรเน่เพราะหลวงพ่อไม่ได้ค่อยได้เข้ามาในเมืองในกรุงนานๆจะโผล่เข้ามาทีหนึ่งแต่ครั้งนี้ก็เน่ยท่านหลวงพ่อสาครของเราท่านปู่เหลิมของเราท่านก็อยากที่มโนหลวงพ่อให้องค์แดงทำเป็นองค์งที่สองหลวงพ่อเองก็ไม่ขัดข้องเพราะว่า ถือว่าหลวงปู่เป็นพระเสระผู้ใหญ่เป็นที่เคารพศักดิ์ศรีของพี่น้องกวงปิชาทางกรุงเทพมหานครของพวกเราเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงได้รับอาราธนาแต่หลวงพ่อฐณนศรัทธาญาติโยมกอคงจะไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นบางคนนะแต่หลวงพ่อจะเล่าประวัติหลวงพ่อให้ฟังพอเป็นพอสังเกตนะ เพราะว่าหลวงปู่เจริญหลวงปู่ของเราในท่านก็บอกว่าเมื่อท่านอายุ21ปีพอผ่านทหารท่านก็เข้าบวชในพระพุทธศาสนาจนบัดนี้อายุของท่านพรรษาของท่านก็ก้า59 59พรรษาแต่หลวงพ่อนี่ก็คนทุกคนก็ต้องมีประวัติเพราะฉนั้นคระจตหาญาดโยมเห็นหลวงพ่ออินเอ้หลวงพ่ออินมาจากไหนเป็นคนที่ไหนบวชเมื่อไรอย่างนี้ หลวงพ่อคงอยากจะทราบอยากจะรู้เหมือนกันนะเพราะนั้นหลวงพ่อจะขอเรียนให้ประวัติให้ทราบอย่างจนยอ่อหลวงพ่อเนี่ยเป็นชาวจังหวัดมุกดาหารเกิดที่ตีนเขาปูโจอกอเป็นสมณีนของหลวงปู่ล่าบวชเมื่อปี2500หลวงพ่อบวชเป็นสมณีนเมื่ออายุ 11-12 ปีพอจบพอสีแล้วก็โยมิดามันดาส่งเข้า ส่งขึ้นวัดภูเจ้าก็แล้วก็เป็นสั ม, มเาณีที่ภูเจ้าก็ออเป็นเวลา8ปีเป็นสัมมาณี น, นะจากนั้นก็อายุครบพระก็ได้บวชได้ผลสมบทปี 0-8 นยแล้วก็ได้อยู่กับองค์หลวงปู่ล่าเอกรวมแล้วอยู่ที่ภูเจ้าก็เป็นเวลา9ก้าปีจากนั้นก็มาอยู่ที่วัดหลวงปู่จามมหาปุญโญที่บ้านห้วยทรายที่เป็นหลวงอาของหลวงพ่อน ะ, นะหลวงปู่จามเป็นหลวงอา แ่ก็อยู่ประทันหนึ่งพรรษาจากนั้นก็ขึ้นไปจําพรรษาหลวงปู่จามท่านพาขึ้นไปจังหวัดเชียงใหม่ก็ขึ้นไปจำพรรษากับหลวงปู่แหวนหลวงปู่หนูที่วัดดอยเมฆปังอำเภอพา้าจังหวัดเชียงใหม่หนึ 1, ่งพรรษาจากนั้นได้กลับลงมาจําพรรษาที่วัดหลวงปู่จามอีกที่เป็นหลวงอาอีกพอออกพรรษาแล้วเป็นพรรษาที่สนะหลวงพ่อก็ได้มาจำพรรษา ที่วัดป่าบัานตาลองค์หลวงตามเมื่อปีพศ2512จนถึง2525 25, เจงได้ออกไปจำบรรษาที่วัดป่านาคาน้อยอำเภอนาอยูจังหวัดกรธานีขณะ น, นี้หลวงพ่อได้จำบรรษาอยู่ที่วัดป่านาคาน้อยเป็นเวลา20ปีแล้วก็ขณะ น, นี้หลวงพ่อเองอายุป65ปีนะ คณะสัตยาญาติโยมหนูที่หลวงพ่ออินอายุ65ปีนะปีนี้อันนี้คือประวัตินะเพราะนั้นหลวงพ่อเองเนี่ยฝากฝังชีวิตไปในพระพุทธศาสนาตั้งแต่อายุ12ปีที่เบปีจนมาถึงอายุ65ปีอย่างหลวงปู่เจริญท่านบอกว่าท่านบวชมาแล้วท่านจะไม่สึกท่านว่าการบวชนี่เป็นศุขขนาดนี้เชี่ยวเละหลวงปู่เจริญท่านพูดนะ ตอนี้หลวงพ่ออินก็เหมือนกันหลวงพ่อบวชมาแต่เล็กแต่น้อยอายุสิบเปีหลวงพ่อเสียใจไหมแหม่ไม่ได้เป็นคราวาญเหมือนกับทาญาทโยมเขาหลวงพ่อเสียใจไหมหลวงพ่อภาคภูมิใจอย่างมากที่ได้บวชในพระพุทธศาสนาในชีวิตนี้ทั้งชีวิตใเพราะนั้นทายาทโยมทั้งหลายให้ตั้งใจฟังว่าหลวงพ่ออินที่จะพูดอะไรให้ฟังในวันนี้ที่หลวงพ่ออิน ฝาชีวิตทั้งชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นเวลา50กว่าปีน ะ, เ, ะ, เ, ะเป็นเวลา50ก ป, ปีเพราะว่าเป็นสมัมมเนยอยู่8ปีจากนั้นเป็นพระอีก44ปีน ะ, เ, ะเป็นพระ44ปีปีนี้และก็เป็นสมัมเนยอีก8ปีเพราะนั้นหลวงพ่อฝากชีวิตไว้ในพุทธศาสนาเป็นเวลา50ปีขอให้สถาญาตโยมตั้งใจฝากหนะลวงพ่อจะแสดงธรรม แล้ว ก, ก่อนที่จะแสดงธรรมก็ขอร้องสัตยาญาติโยมอย่างที่หลวงปู่เหลิมพูดเมื่อกี้นี่ดหละนะถ้าหาว่าผู้ใดอยากจะถ่ายรูปก็ขอให้หลวงพ่อเทศจบซะก่อนจะถ่ายรูปหลวงพ่อไม่ห้ามแต่ขณะที่หลวงพ่อกําลังแสดงธรรมขอให้อยู่ในความสงบอย่าไปเนี่ยอย่าขออย่าถ่ายรูปแล้วก็พร้อมกันท้าโทรศัพท์ของใครเอง มีเพื่อนที่จะพูดกับทางโทรศัพท์ก็ขอให้ออกไปข้างนอกก่อนอย่าไปพูดแข่งแข่งหลวงพ่อนะหรือว่าท่านผู้ใดก็ตามมีกิจธุรศส่วนตัวอยากจะคุยกันนะครับเพราะว่าสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่สถานที่คุยกันเป็นสถานที่ฟังเทศ เ, เป็นสถานที่ฟังธรรมถ้าคำว่าผู้ใดก็ตามมาพูดหรือมาออพูดแข่งหลวงพ่อในสถานที่แห่งนี้ท่านบอกว่าคนนั้นไม่รู้จักความนะ ไม่รู้จักการละเทศะนะฮไม่รู้จักการสถานที่บุคคลนะเพราะนั่นพูดที่รู้จักการสถานที่บุคคลต้องรู้จักว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ฟังธรรมในขณะนี้ในเมื่อแม่มาอยู่สถานนี้แล้วก็ต้องตั้งใจฟังนะถ้าตัวเองมีทุระที่จะพูดคุยกันออกไปคุยข้างนอกได้ไม่ใช่สถานที่คุยกันตรงนี้นะเพราะนั้น ท, าท่านบึ่บอให้รู้จักการละเทศะบุคคล ถ้าบุคคลรู้จักการลติภโกฏบุคคลแล้วนั่นแหละไปสถานที่ใดก็ไม่ขวางเขาไม่ขวางไม่ขวางคู่ฝวางคนขวางใครใครเห็นไหมเนี่ยหมาคาบบังขรามมันขวางมันขวางทางอันนี้เหมือนกันนะถ้าพวกเราทําไม่ถูกมันขวางเพราะฉนั้นอย่าให้มันขวางสังคมขวางชุมชนคนอื่นเขาหนะเอาต่อนี้ไปตั้งใจฝันหลวงพ่อจัดแสดงธรรม ให้แก่สัทธายาคยมได้ยินได้ฟังนะโมตัสสะพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปูชาจักปูชนียานังเอตัมมังธรมุตมันติติวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยานยิ่งเป็นวันเกิดของหลวงปู่เจริญของพวกเราพวกเราคณะศรัทธาญาติโยมพร้อมพระสงฆ์มาจากจารุรทิต ได้มาร่วมกันแสดงออกซึ่งมุทิตาส ก, การ ะ, ะแสดงออกซึ่งความเคารพนับถือที่หลวงปู่มีวั ย, ยวุฒิคุณวุฒมีอายุถึง80ปีที่พวกเรารู้ประวัติของท่านถ้าจะว่าไปแล้วท่านเป็นนักแสดงธรรมหรือเป็นนักเทศองค์หนึ่งให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษา ในวันนั้นพวกเราวันนี้พวกเราจึงถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งค่อยนั้นพวกเราได้มาทําบุญในวันนี้นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายขอให้พวกเราท่านทั้งหลายเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาเราจะยึดอะไรเป็นหลักจิตหลักใจของพวกเราอย่างหลวงปู่คําบอที่ท่านได้แสดง ลงจบลงสักครู่นี้ท่านก็บอกเาให้พวกเราสร้างบุญสร้างกุศลเพราะนั้นบุญกุศลนั่นแหละจะเป็นเครื่องนำพาทางจิตใจของเราไปสู่ความสุขจริงๆขึ้นไปเพราะนั้นพวกเราจะยึดอะไรเป็นหลักถ้าว่าพวกเราคิดว่าตายแล้วศูนพวกเราก็ไม่จาเป็นจะต้องทำอะไรทั้งหมดก็าตายแล้วสูนตายแล้วไม่เกิดอีก สิ่งไหนที่อยากจะทำก็ทําตามอาเภอใจทําตามอัตถาใจอยากจะทําสิ่งไหนก็ทําตามที่ตัวเองอยากจะทําแต่การที่กระทําของตนเองนั้นโดยมากมันจะไปทางตาม่คงตมคือทางต่าคือทางกิเหลวความโลภความโกรธความหลงเป็นหลักเพราะนั้นถ้าว่าพวกเราถือว่าตายแล้วศูนย์พวกเราก็ทาตามอเภอใจทาตามมัตาใจ แต่พวกเราถือว่าตายแล้วเกิดเนี่ยจุดนี้เละสิตายแล้วเกิดนี่แหละที่พวกเราจะต้องตรีมพร้อมว่าเราจะต้องทาอย่างไรในเมื่อเราเกิดมาเราเกิดมาเกิดมาในภพภูมิต่อไปภาภาคนาพราะหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้ธรรมที่โกลนต้นโพในวันเดือนกเพ็ญพระพุทธเจ้าได้วิเคราะห์ที่สูตรมาแล้ว ว่าตายแล้วไม่สู่คนในยุคนั้นสมัยนั้นเขาก็คงจะมีความสงสัยอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเหมือนกันเพราะนั้นยังมีสมัยนั้นยังมีคนสงสัยอยู่มากจะมีมาในพระธรรมบทมีพรามอยู่ในเมืองหนึ่งจากนั้นท่านก็ พอเกิดขึ้นมาแล้วพราหมมีบุญวาสนาบารมีรู้จักอนาคตเนเขาคงจะเป็นบุญวาสนาเพาจะคงจะเคยเป็นปรือศีสีไพรมาก่อนในอดีตชาติพอมาเกิดขึ้นมาแล้วท่านรู้จักว่าคนนี้ตายแล้วก็เกิดที่ไหนแต่ท่านก็มีกรรมวิธีนะพามคนนั้นชื่อวังคีสระนะคือวังคีสะพราหมณ์ จากนั้นท่านกอบไปในเมืองน้อยเมืองเมืองใหญ่ถ้าใครผู้ใดอยากจะรู้ว่าตายแล้วไปเกิดที่ไหนท่านจะเอาหัวกะโหลกมาให้เคาะนะพอมาถึงแล้วท่านก็ใช้ไม้ของท่านก็เคาะหัวกะโหลกของคนนะปักกปัเสร็จแล้วท่านก็กำหนดจิตตามว่าหัวกะโหลกนี่นะออกจากหัวกะโหลกนี่ออกจากร่างนี่แล้วเขาจะไปเกิดที่ไหน แต่ท่านก็รู้ได้หมดไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไรฉันไปตกนรกไปเป็นเปรตไปเกิดเป็นมนุษย์ระดับไหนวังชีสานี่จะรู้ได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่เรื่องรือในยุคสมัยนั้นในยุคสมัยครั้งพุทธกาลจากนั้นตามคนนั้นก็ถือวิชาอันนี้แหละเป็นวิชาอาชีพแล้วแบบเป็นนากินของตนเองไปทั้งเมืองน้อยเมืองใหญ่ไปที่ไหนก็ คนทั้งหลายก็เอากะโหลกมาให้ท่านเคาะทีนี้เขามาตะเวนไปหลายหัวเมืองจากนั้นก็มาถึงองค์สาวัตถีนะเขามาถึงองค์ส า, าสวัตถีพระพุทธสมัยนั้นพระพุทธเจ้าของเราสเสด็จประทับอยู่ที่วัดป่าเชตวันมหาวิหารพร้อมกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่จากนั้นตามคนนั้นก็มีบริวารถึง500รที่เป็นผู้แวบดบล้อมแก่แกินว่า ง, งั้นเะ ที่มีหัวหน้าแล้วก็แห่ห้อมล้อมไปในเมืองเมืองต่างๆแต่ทีพอมาถึงกรุงสวรรค์แหมาตั้งหลักอยู่ที่นั่นแห่จากนั้นพี่น้องประชาชนกรุงสวรรค์พอตกตอนเช้าเขาขนําอาหารไปถวายพระสงฆ์พร้อมกับพระพุทธเจ้าพอตกตอนเย็นเขาขนนำดอกไม้เครื่องสักการะบูชาไปกราบไปไหว้พระพุทธเจ้าและก็ไปฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า เป็นประจําไม่ได้ขาดทั้งแรงทั้งฝนแต่พรามคนนั้นก็ไปตั้งหลักไปสังเกตเห็นว่าเอ๊ะ เ, เขาไปอะไรก็ไปถามเขาถามว่าไปอะไรเรไปกราบพระพุทธเจ้าไปฟังธรรมเทศนาของท่านของพระพุทธเจ้าพรามคนนั้นบริวารของพรามคนนั้นก็บอกว่าเอ้ย น, นี่อาจารย์ของเราเนี่ยที่มาเนี่ยใครอยากจะถามอะไรถามได้ ทำไมจึงไปหาสมณะโทรมนี่อาจารย์ของเราเนี่ยเต้เด้งดังทีเดียวธรรมดาคนเราก็ต้องมีการโฆษณาประชาสัำพัน์ต้องทับถมคนอื่นเป็นธรรมดาของกิเลสมนุษย์ละกันเนีทีนี้บริวติบริษัทบริวารของพามเขาก็โฆษณาอาจารย์ของเขาเให้เต่นดังเแต่นี้พี่น้องประชาชนกรุงสวสริ์เขาบอกเอ้ยใครก็ตามเในจักรวาลเนี่ย จะสู้พระพุทธเจ้าได้อย่างไรเนีพระพุทธเจ้าเนี่ยเลิ่ประเสริฐรู้อดีตอนาคตรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะนั้นใครจะเสมอเหมือนได้อย่างไรเขาไม่ได้สนใจเขาไม่ได้ใส่ใจเลยไหมเขาเดินผ่านเฉยจะโค่นานะยังไงก็เดินผ่านเฉยเหมือนกับไม่มีอะไรเหมือนกับเขาไม่ให้ความสําคัญเลยเหาือนน่ะเนีทีนี้ผมถามท่ายเอ๊ะทำไมสมนะโคดมพุทธเจ้า ทำไมเขาจึงไม่ให้ความสำคัญเราเลยเราน่าจะเข้าไปดูเหมือนกันนะเขาทำอย่างไงทีนี้พระพระทุทธเจ้าท่านรู้แล้วว่าตามทั้ง500คนนั่นนะ่ะจะเข้ามาจะเข้ามาฝั่งธรรมเทศนาจะเข้ามาในวัดวันนี้เข้ามาสังเกตการณ์ในวันนี้พระพระทุทธองค์ก็เตรียมหลักไปแล้วก็ให้คนเตรียมกะหลกกะโหลกศีรษะไว้กระโหลกหนึ่งตกนรก กระโหลกหนึ่งไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไร้ฉันกระโหลกหนึ่งไปเกิดเป็นเปรตกระโหลกหนึ่งไปเกิดเป็นมนุษย์กระโหลกหนึ่งกับพระโสดาพระสกาทาคาพระอนาคากะโหลกพระอรหันต์เตรียมเป็นกะโหลกกะโหลกคอยไว้แล้วทีนี้พระหมู่นั้นก็มาเขามาถึงแล้วก็พระพุทธเจ้าพระท่านมาอะไรวังทีรัพพามกว่าข้าพระพุทธเจ้าตระเวนในเมืองน้อยเมืองใหญ่มาเพื่อ ใช้วิชาเคาะกะโหลกคนว่าไปเกิดนัชสถานที่ใดถ้าเปเจ้านี่รู้ว่ากะโหลกของแต่ละคนไปเกิดที่ไหนที่พระพุทธเจ้าเออถ้าอย่างนั้นถ้ารู้จริงก็เคาะกะโหลกที่เราเตรียมไวน้นลยสิเคาะเลยสิว่ากะโหลกนี้เรานี้จะไปเกิดนัชสถานที่ใดทีนี้เขาก็เอาพระพุทธเจ้าก็ให้พระสงค์เอากระโหลกมาวางเรียงกัน เขาท่านก็เคาะตะโหลกแล้ววางทีศัพท์ลามก็เคาะกะโหลกแล้วเคาะกะโหลกเอออันนี้ไปเกิดเป็นไปตกนรกว่า ง, ง่า อ, อแต่ว่าคนนี้ทํากล้ำชั่วมากไปตกนรกไม่เป็นอย่างอื่นเออเราพูดใเจ้าก็เออฮเอากะโหลกที่สองให้เคาะอีกไปเคาะบ่ป๊ อ, เ อ, อปกเออได้เป็นเ ป, นเปลกไม่ตกนรกไม่ถึงกระทาบาปหนะักแต่ว่าทํากล้ำ อทำกล้ำไม่ถึงกันหนักแต่ว่าเป็นเปรตที่อดอยากหิวโหวยแตาทำกล้ำไม่ดีอีกเหมือนกันเ่ยทีนี้ก็เอาเพาะกระโหลกอีกเอออันนี้ไปกเกิดเกิดเป็นสัตว์ปีนฉันเ่ยไปเกิดเป็นสัตว์ตัวเนี้ยตระโหลกมีองค์ก็ พ, พูดยาวก็เออทีนี้ก็มาเพาะอีกมาเกิดเป็นมนุษย์ทีนี้ประเกิดหรือเพาะกระโหลกของพระโสดามัน ทก็โอ้อันนี้เป็ไปเป็นพรมนะเกิดเป็นพรมทนี้เคาะไปถึงกระโหลกพระอนาคามีท่านก็ว่าเป็นพรมขั้นสูงเนี่ยนะนี้พอมาเคาะกะโหลกพระอรหรันต์เาเอากะโหลกศีรษะของพระอร ห, รหันต์ไม้เคาะเคเคาะเข้าไปเลยเนี่ไม่รู้ทางไปทางมาทีนีเน่ยเคาะเข้าไป เ, เก็เนี่ยนะกาหนดจิตเท่าไหร่ก็ตามไม่เจอว่าทนแะต่ กระโหลกพลาาระรหันต์เนี่ยเพราะไม่เจอเพราะกันอะผลที่สุดเคาะถึงสามครั้งเพราะไม่ไปไม่มายหยุดเพราะกันะพราะพระพเจ้าถามว่าเขาไปไหนไม่รู้กระโหลกไม่เคาะถลายไม่รู้ทางไปทางมาไม่ใช่เขาไม่รู้นะเพราะพระพเจ้ารู้ยอมรับเลยที่เขาเคาะมาทั้งหมดนะถูกต้องทั้งหมดตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีก พระพุทธเจ้าว่ารู้ว่าเขาตะเคาะนี่ถูกต้องแต่กระโหลกนี่น่ะเขาเคาะไม่รู้ว่าทางไปทางมาของวิญญาณพระพุทธเจ้าว่า อ, อยากจะรู้ไหมอยากครับไงผมขอเรียนได้ไหมผมขอเรียนจากพระพุทธเจ้าได้ไหมพระพุทธเจ้าว่าได้ถ้าอยากจะเรียนต้องบวชก่อนแถ้าบวชแล้วจ ะ, จะสอนให้วิชาพาะกระโหลกหัวนี้ทางวังทีสะตามก็บอกโอ ครับผมท่าอาจารผมก็ขอบวชนะพราะขอบวชก็ให้บริวารรอฝ่ายออกไปอยู่นอกวัดก่อนอ่าเดี๋ยวเราจะเอาวิ ช, ชานี้ไปว่าได้วิ ช, ชาเพราะกระโลกไหนรู้ทั้งหมดนี่แหละเลิศแต่นี่เราจะคาติดอยู่วิ ช, ชาเดียวที่ว่ากระโหลกนี่แหละเราพอแล้วยังไม่รู้เรื่องว่าไปที่ไหนเพราะฉะนั้นเอาตรงเรียนวิ ช, ชานี้ให้ได้จากนั้นท่านก็บวชนะท่านก็บววชวิ ช, ชาจะเรียนวิ ช, ชานี้เพราะพูดได้เจ้าก็สอนน่ย ให้พิจารณาเกาสาสอนกรรมฐานให้เลยทีนี้พยายามทำจิตให้สงบก่อนนะทำจิตให้สงบอานาปาณาสติทำจิตให้เป็นเหมือนกอนพอทำจิตให้สงบพอทำจิตให้สงบเป็นหนึ่งแล้วให้พิจารณาว่าร่างกายสังขารตั้งแต่หัวจดเท้า เ, เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจากนั้นก็พิจารณาถึงตัวภูรู้คือนามธรร จากนั้นก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นในนามธรรมนั่นหลท่านจึงจะเห็นบาต ล, ลกนี้ไปเกิดที่ไหนทามั่นก็ปฏิบัติอย่างเค่งครัดนะพอถึงเจวันเท่านั้นนะวังทีสะพามก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์เมือ่อได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วขณะที่กําลังศึกษาอยู่พวกตามทั้งหลายที่เป็นบริวารห้ารอก็เข้ามาเป็นไงอาจารย์ จบระยังวิชานะยางัยางยงังนยะังนะี่เข้าไม้อีกอา้าวยางัยงยังยัพอถึงวันที่7เมื่อท่านท่านได้สาเร็จเป็นพระอาหารหันต์แล้วท่านบอกว่าเอยเราไม่ไปกับสุเจ้าอีกแล้วนะวิชาของสุเจ้าเป็นวิชาอยู่ในโลกวัตฏสงสารเนื้หาที่สิ้นที่สุดไม่ได้เพราะนั้นเราไม่ไปกับสุเจ้าอีกแล้วเราจบแล้วนะสุเจ้าจะไปหากิตที่อื่นก็ไปเถอะ เราไม่เกี่ยวอีกแล้วอันนี้ก็คือในยุคสมัยนั้นคือพระพุทธเจ้าท่านก็ยอมรับว่าวิชาของพรามวังทีสนั้นเป็นวิชาทางโลกแต่ก็ยอมรับว่าเป็นความรู้เขาถูกต้องที่เขาฟอกขลกนั้นไปเกิดในขอบภูมิต่างๆนี่ีหลักๆของพระศาสนา ท่นี้มาพูดถึงพระพุทธเจ้าเคือพระพุทธเจ้าก่อนที่ท่านจะได้ตัดสรู้ธรรมท่านเห็นอะไรท่านมีความสุขยิ่งกว่าพวกเราท่านทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายมีเงินมีคำทรัพสมบัติมียศถาบรรดาศัตว์สูงในระดับหนึ่งแต่พระพุทธเจ้าท่านเป็นพระมหาษัตริย์ชองภกรกบินพัตท่าน เริ่มสวยราชพระบิดามอบพระราสมบัิให้แต่อายุ16ปีและก็เข้าสู่มงคลสมรสทำนามคิมพายะโสทาราแต่อายุ16ปีจากนั้นท่านก็ครองราชเป็นเวลาถึงอายุของท่านถึง29ปีในขณะถึง16ถึง29ปีนั้นท่านก็คงจะเห็นเรียนรู้เรื่องวิ ช, ชาต่งตางๆเรียนรู้เรื่องของโลกวิ ช, ชาโลกต่างๆ ทั้งวิชาปกครองตั้งวิชาดูแลบ้านเมืองเรื่องทาหารตำรวจพิพากษาอายการเกษตรท่านต้องเรียนรู้ทั้งหมดแต่ทีนี้ท่านก็มาพิจารณาดูว่าเราอยู่อย่างนี้พ่อแม่ปวดปู่ย่าตายายททดของเราตระกูลของเราไปไหนหมดท่านก็สืบสอบเูว่าท่านเหล่านั้น มีแต่ทิ้งสมบัติไว้เอาไปด้วยไม่ได้สักอย่างต่างคนก็ต่างไปโยมบรรดาของพระองค์ท่านก็สวรรคตไปแล้วยังเหลือแต่พระบิดาแต่ต่อไปน้ า, าอีกคนหนึ่งคงจะทิ้งสมบัติไว้ในแผ่นดินเหมือนท่านเหล่านั้นแต่เราจะทำยังไงจะพิจารณาอะไรจะแก้ไขอย่างไรจะมีวิธีแก้ไขไหมนี่ ก็ว่าพระพุทธเจ้าเหนือกว่าคนทั้งหลายก็เพราะว่าพระพุทธเจ้ามีความคิดแปลกแตกต่างกว่าคนทั้งหลายเพราะฉะนั้นพระองค์จึงได้ศึกษาค้นคว้าได้คิดในใจไปสม่ำเสมอแต่พอวันหนึ่งบุญบารมีของท่านแก่กล้าท่านก็เห็นคนแก่เดินผ่านหน้าออพอเห็นคนแก่นัทธัมนายสัตติคือนายฉันนาบอกว่านี่คืออะไร เพราะท่านไม่เคยเห็นคนแก่เพราะเหตุใดเพราะว่าพระเจ้าสิธโธทธนะพระบิดาไม่ให้ท่านเห็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเคือพยายามกันคนเอาไว้แต่วันนั้นบุญบา ร, รมีของท่าน พ, พระพุทธองค์แก่กล้าคงจะเป็นเทวดาบรรดาลหรือว่าสิ่งที่ เ, เข้ามาโดยบังเอิญ เ, เพราะไม่ทราบ แต่พอเข้ามาแล้วพระพุทธเจ้าเลยถามว่าเอ๊ะอ น, นี่คืออะไรในชนะผมว่าอันนี้คนแก่ออันนี้คนเหรอเพราไม่เคยเห็นว่าคนแก่นั้นคือแกก็คงจะแก่จริงๆหลังกรก้ออ่าค<ช>ือใส่ไม่เท้าค้ำยันแล้วก็ตาฝ้าฟางหูหนวกขมขาวหนังเหี่ยวย่นอ่ะอันนี้คือคนแก่ นี่ศีลทธชาติเจ้าเห็นโอ้โหเราได้จะแก่เป็นไหมเนี่ยในชนะกอดถ้าใครไม่ตายง่ายก็ต้องแก่พระเจ้าค่ะอ๋อถ้าแก่อย่างนี้จะหาความสุขได้ที่ไหนจะหาความสุขไปได้นะถ้าแก่อย่างนี้เนี่ยนี่แหละคือเห็นความแก่เป็นครั้งแรกจากนั้นพระองค์ก็เห็นคนเจ็บจากนั้นไปเห็นคนตายจากนั้นก็ไปเห็นส ม, มณะที่นั่งอยู่โคลนต้นไม้ท่านก็พิจารณาว่าเออส ม, มณะเนี่ยนั่งสงบ อยู่องเดียวหยุ่โถนต้นไม้อันนี้ถ้าหากว่าเราใช้ชีวิตอย่างส ม, มณนองค์นี้นั่งอยู่โคนต้นไม้อย่างนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเรียงวังไม่เกี่ยวข้องกับผู้คนไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการประเทศชาติบ้านเมืองกับใครๆมานั่งค้นคิดอย่างนี้คงจะมีทางออกฮะอันนี้ก็คือ พ, พระพุทธองค์ได้เห็นส ม, มณน คือนักบวชที่นั่งอยู่โคนต้นไม้ตามลำพังจากนั้นพระ อ, องค์ก็ได้เฉจกับเพียงวังของพอดีบังเอิญวันนั้นนางพิมพายโสธราก่ทอดบุตรงานแข่งขันขุดภฟษามบาันเร่านะประสูรธลาหุมพอพระองค์ก็ได้เห็นพอได้ยินทราบขาวว่าบุตรชายเกิดแล้ว โพธองค์คนตั้งชื่อว่าราหูนักราหูนะนะแต่ว่าเครื่องผูกพันแต่ว่านามฉายาของหลวงปู่เจริญของเรานี่ราหูราหูโรราหูโรนี่คงจะเป็นเป็นเครื่องผูกพันในทางด้านปัญญากําลังค์ของข้อผมได้เรียนบาลีมาก่อนเหมือนกันเถอแต่ว่าราหูนัเนี่ยแปลว่าเป็นเครื่องผูกพันทางด้านจิตใจของพระพุทธเจ้า ของเราชิตตถะฐาของเราจากนั้นพระองค์ก็หาวิธีการาจะทำยังไงจึงจะนี้นไปบวชได้จากนั้นพอถึงเที่ยงคืนเพราะติษฐานพร้อมกับนายชนะพูดกันเป็นการภายในจากนั้นก็ตัดสินพระไทยขึ้นที่ม้าขันตกาวิ่งออกจากเวียงวังเวลาเที่ยงคืนวิ่งไปจนถึงแม่น้ำอโนมานาทีห่างไกล ทุกวันนี้่าว่าใคยไปประเทศอินเดียนะจะรู้ว่าโอ้โอจากรุงกบินธพมาถึงแม่น้ำอนมานาทีประมาณสองร้อกว่ากิโลไปว่าม้าตัวนั้นรู้สึกว่าคงจะวิ่งตะบึงพอสมควรแต่ท่านก็ว่าเทวดาเป็นผู้ยกเท้าม้าทั้นสี่ทัางสีงส่ข้างมา้าลอยอะไรนั้นแต่ที่นี่เราก็ไม่ได้เกิดในยุคนั้นสมัยนั้นนะเล่าก็ว่า ตามพุทธประวัติเป็นอย่างนั้นทต่ที่พอไปถึงแม่น้ําอนุมอนุมานมาทีพระองค์ก็หยุดพักอยู่ที่ฝั่งแม่น้ําจากนั้นก็เตรียมตัวบวชตัดพระโมรีคือตัดผมด้วยพระแสงดาวและจากนั้นของหม้อเครื่องทรงของพระองค์มีเครื่องประดับหรือเสื้อผ้าของพระองค์มอบให้แก่นายชนะจากนั้นพระองค์ก็ได้ขึ้นผ้ากาสาวมพัด คือผ้าย้อมฝาดมาบวชผมเป็นนักบวชจากนั้นเขามอบให้ในายชนะขี่ม้ากลับภูมิาบาลินสพัชแต่ม้าตัว น, นั้นเป็นม้าแสนรู้พอนายชนะขึ้นขี่หลังทตนเองม้าไปเห็น ว, ว่าเอาเจ้านายทําไมไมิขึ้นมาด้วยม้าท่านก็คิดเป็นห่วงรักเจ้าของมากรักพระพุทธเจ้ารับพระสิทธรถมมากพอรับสายตาม้าตัว น, นั้นก็เลย อ, อกแตกตาย หัวใจแตกตายหัวใจวายเพราะฉะนั้นเมือม้าคิดถึงเจ้านายจาก น, า น, นั้นนายชนะก็คงจะลงจากหลังมา้าและคงจะเดินกับมันนะถ้าว่าพวกเราในชนะนยังไม่ตายเราบอกพวกเราเกิดมาในยุคนั้นยังมีชีวิตอยู่พวกเราคงจะถามนายชนะว่าเออท่านชนะน เ, เมื่อม้าตายแล้วท่านทำยังไง เ, เราก็คงจะถามท่านแต่ น, นั่นก็ไม่ใช่จุดจาเป็นและสาคัญนะ เดีท่านจะเดินยังไงก็ได้กับท่านก็มาถึงกลุก่มกบินละพัด์อีกเหมือนกันแต่ข้อสําคัญที่ว่าพระพุทธองค์ไปอยู่ในป่านั้นน่ะไปบําเพ็ญอยู่ในปาน่าตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่วันแรกพระ อ, องค์ทำไมไม่คิดถึงบ้านถึงเรือนพระ อ, องค์ถึงจะไ ม, ไม่คิดถึงเวียงถึงวังเออมันตรงมันตรงกับการข้ามกับพวกเราท่านทั้งหลายข้อนี้จากบ้านจากเรือนเท่านั้นแหละใหม่ๆโอ้นสบายดีไปเมืองนอกโอ้ดี พอไปอยู่สักเดือนกว่าเริ่มบางสีส่ห้าหกเ็วันเท่านั้นน่ะคิดถึงบ้านว้าหวิอ้างว้างเงียบเหงาเศร้าสึนส้นเท่านันน่ะแต่สิทธาท่านนี้แต่เวียงหวางท่านคิดอย่างไรนี่ที่ท่านคิดก็คือพระพุทธองค์ท่านบอกว่าเมื่อท่านบวชแล้วเป็นนักบวชแล้วท่านไม่สวยพระกายานาเป็นเวลาเจวันท่านบอกโอเรามีความสุขจริงเหมือนเราอยู่ในที่คุมขังออกจากที่คุมขัง เหมือนเราที่เป็นหนี้สินแต่เหมือนกับเราปลดหนี้สินออกแล้วเหมือนกับเราเป็นโรคภัยไข้เจ็บแต่ปัจนี้เราหายจากโรคภัยไข้เจ็บช่างมีความสุขนี้ก็ไรในใจของพระองค์เรามีความสุขเหลือเกินอิสระเหลือเกินในการเป็นอยู่ของพวกตัวของเราเพราะเพราะพระุองค์ไม่สันติหันหอยู่เป็นเวลาเจ็ดวันขณะที่ ได้ออกบวชใหม่เนี่ยตรงกันข้ามกับพวกเราบางคนกับไปเมืองนอกหรือว่าไปบวชในวัดวาสสศาสนายิ่งไปบวชวัดป่าอย่างเงี้ยพอไปบวชใหม่ๆก็เฮ่อคิดถึงบ้านอย่พูดใครเลยเลยเพราะนั่นแหลจําไม่ลืมกระทั่งเดี๋ยวนี้เางัะนั่นแหะนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านไปบวชท่านเป็นผู้ตั้งใจจริงจากนั้นวันที่แปท่านึงไปบินขบบาดมาฉันจากนั้นท่านก็พ้นคว้าศึกษา อยู่ในป่าเป็นเวลา6ปีสูตรที่ท่านค้นคว้าศึกษานั้นวันเดือน6เป็นวันเดือนหเป็นพระุองค์ได้ตัดสรุ้ธรรมได้บรรลุธรรมก็คือเรื่องที่พระุทธองค์นั่นั่งสมาธิที่โคนต้นโพที่พวกเราไปกราบไปไหว้ที่พทุทธคยาประเทศอินเดียน่ะท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเหน็นนายโสติยะนำหญ้าพามาผ่านมาก็ะเลยถวายท่าน ท่านก็เดินักญาตาแปะกำมือมาเกลี่โรมที่โคนต้นโผนั่นพอเกลี่ยเสร็จแล้วท่านก็นั่งขัดสมาธิอันพพักไปทางทิศตะวันออกจากนั้นทํำใจให้ตรงดารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกเพราะฉนั้นคณะสัทพายาโยมทั้งหลายให้ฟังเอาไว้ว่ากรรมาฐานของพระพุทธเจ้านั้นในวันที่ตัดสู้นั้น ท่านพิจารณาอะไรท่านกําหนดกรรมฐานอะไรนี่กรรมฐานที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสู้ในวันเดือนหเพนนนั้นคือพระพุทธเจ้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกเออท่านมีสติสัมปชัญญะนะสติสัมปชัญญะให้มีสติอยู่กับตัวเองเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเมื่อท่านได้ตัดสู้รมแล้วท่านเกลดว่าธทำที่มีอุปการามะมากนิด ทำที่มีอุปการะมากมีสองอย่างคือสติความระลึกได้สัมปัชัญญะคือความรู้ตัวถ้าว่าคนเราถ้าไม่มีสติสัมปัชัญญะเหมือนกับคนบ้านนะคนบ้าในคนคือคนขาดสติคนไม่มีเนีคนมันมีสัมปัสปชัญญะจะคิดอะไรจะพูดอะไรจะทําอะไรไม่ได้ทั้งนั้นเพราะนั้นพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสรู้ทําในวันนั้นเพราะพระพุทธเจ้ามีสติสัมปัชัญญะ กำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกอย่างแน่วแน่จากนั้นจิตพระองค์เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วพรพธองค์เกิดญาณทัศนะขึ้นในในช่วงที่จิตสงบเพราะนั้นในหลักธรรมท่านจึงบอกว่าฌานเป็นผลพลอยได้าจากสมาธิถ้าจิตไม่เป็นสมาธิจะไม่เกิดฌาน ฌานือที่จะเกิดขึ้นมาได้เพราะจิตใจสงบจิตใจเป็นสมาธิก่อนจึงเกิดฌานเพราะนั้นครูบาอาจารย์ของเราท่านทัน้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายหลวงปู่มันท่านจะไม่อธิบายเรื่องฌานมากท่านเน้นแต่หนักเรื่องสมาธิทำจิตให้สงบเรื่องฌานนั้นมาทีหลังในเมื่อจิตสงบเข้าไปแล้วเขาพธองเกิดยานัทชนะเกิดฌาน พระพุทธองค์น้อมจิตขององค์ระลึกชาติผลหลังปุพเพในวาสานุสติยานระลึกชาติผลหลังได้เพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้ฟังเอาไว้ว่าตายแล้วไม่สูญอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเนีตายแล้วไม่สูญพวกเราตายแล้วเกิดอีกแน่นอนเพราะฉะนั้นก่อนที่พวกเราจะรู้ได้อย่างที่พระพุทธเจ้าจะรู้ได้ท่านมีญาณมีฌานอย่างท่านวังชีสัตว์ที่ท่านรู้ได้ ท่านก็มีบนวรมีเก่าแก่ของท่านท่านจึงระลึกชาติผลหลังได้อันนี้เรียกว่าปุกเ e นวาสานุสติญาระลึกชาติผลหลังได้เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งทั้งหลายอยากจะรู้อย่างที่ พ, พระพุทธเจ้ารู้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญต้องพยายามทําจิตใจให้สงบทําใจให้เป็นหนึ่งจากเน่องเมื่อจิตสงบเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องถามใคร แต่ถ้าจิตยังไม่สงบนั้นพวกเราจะยังสงสัยในใจนั่นคืออะไรร่างกายนั่นคืออะไรเราจะแยกไม่ออกแต่เมื่อทำจิตให้สงบแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าร่างกายนั่นคือรูประธรรมส่วนนามธรรมนั่นคือคือจิตใจคือตัวผู้รู้คือจิตหรือมโนหรือวิญญาณแต่ว่าสรุปแล้วก็คืออันเดียวกัน พวกเราอย่าอย่าสงสัยนะคือสรุปแล้วก็คือผู้รู้ตัวผู้้นั่นะคือใจใจดวงนั้นนจะไปไปเกิดในภพภบบูมิต่างๆเราสร้างบุญสร้างบาปก็สร้างเพื่อให้ใจดวงนั้นถ้าเราสร้างบาปทำบาปบาปทั้งหลายก็เข้าสู่จิตใจของพวกเราใจเป็นคลังของบุญใจเป็นคลังของบาปนะเป็นที่รับบุญและเป็นที่รับบาป พวกนั้นไฟนั้นพวกเรารู้แล้วว่าตายแล้วไม่สูญเพราะฉะนั้นเราควรจะยึดคุณงามความดียึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์เป็นชรณะเป็นที่พึงเพราะนั้นจอว่าพุทธทางธรรมังสังขงงารสารนันขจฉามิยึดร พ, ยพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าเป็นบรมมรรูเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบเป็นเฉยมทูรู้แจ้งโง่จากนั้นท่านประกาศพระธรรม8ปดหมื่พันพระธรรมมขันให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษา เพราะนั้นเราได้ฟังได้ศึกษาแล้วพระธําคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นตั้งแต่ศีลและธรรมเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาล้วนแล้วจะมีสาระมีประโยชน์มีคุณค่าอย่างมากเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายจึงได้นับถือพระพุทธเจ้าและพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่ท่านในได้นําพระธรรมคำสั่งสอนมาประกาศมาเผยแพร่ ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาทั้งสาอย่างคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองและประกาศก็ทำคําสั่งสอนแล้วก็ทรงนําำก็ทำคําสั่งสอนของทุกพระพุทธเจ้ามาบอกกล่าวให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาว่าจะว่าเรื่องทานนี่ทำไมพระุทธเจ้าจึงสอนให้ทานท่านที่เป็นการเสียสละเสียทรัพย์สินเงินทองของตนเองพระพุทธเจ้าท่านบอก่คนเราเกิดมาต้องมันอยู่ด้วยกัน ต้องมีการเสียสละการเสียสละคือทานนั่นแนหะเป็นน้ำใจของมนุษย์ชาติแต่ถ้ามนุษย์เกิดมาไม่มีน้ำจิตน้ำใจต่อกันไม่มีการเสียสละต่อกันใครๆก็อยู่ด้วยกันไม่ได้หมูหมากาไก่จะอยู่กรบเราไม่ได้ลูกเต้าเล้าหลานก็อยู่กับเรไม่ได้องศาการณ์อยางอย่างมิตรสหายอยู่กับเราไม่ได้เพ ร, ราะเหตุใดเพราะเราไม่มีน้ำใจเราไม่มีการทานเพราะนั้นเรื่องทานเป็นน้ำเชื่อมหรือว่าเป็นเครื่อง นี่ที่อยู่อาศัยของมนุษย์ไม่ว่าเขาไม่ว่าเราเราคิดดูกันแล้วกันว่าเราเกิดมาใหญ่ขนาดนี้เราอาศัยพ่อแม่ใช่ไหมพ่อแม่เป็นผู้เสียสละให้แก่เราใช่ไหมเมื่อเราเกิดมาแต่น้อยแต่เล็กแต่น้อยแบเบาและเป็นยังไงเราเคยเห็นเราไม่ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเห็นคนอื่นเขาเกิดไหมลกูกหลานเด็นเขาเห็นเขาเกิดไหมเด็กเขาเกิดใหม่เราเห็นไหมเห็นเห็นและเป็นยังไง เราช่วยเขาช่วยตนเองได้ไหมไม่ได้เพราะเหตุใเพราะมันเล็กเกินไปแล้วใครเป็นคนคนช่วยเขาพ่อแม่เป็นคนช่วยนั่นแหละที่นี่นี่แหละพ่อแม่เป็นผู้ให้น้ําใจเป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่แ ก, แกลูกของคนท่านจึงบอกว่าพ่อแม่เป็นบุพการีพ่อแม่เนี่ยเป็นเป็นบุพการีพ่อแม่เป็ น, ปนบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อน พ่อแม่เป็นบุภาอาจารย์เป็นอาจารย์ของบุต ธ, ธิดาคนแรกเนี่ยเป็นเป็นทั้งบุพภาการีนะบุคคลผู้มีอุตมคตราก่อนแล้วพวกเราเมื่อใหญ่ขึ้นมาแล้วเราควรจะทำตนอย่างไรกับพิดาบรรดาของเราควรจะแสดงความประตังอยู่กตเวทิตารือตอบแทนบุญคุณของท่านมันจป็นจะถูกต้องนะไม่ใช่ว่าท่านเลี้ยงรามาแล้วออมีแต่เอาโลภโหโมกขมีแต่โลภโกรดหลงออมีแต่ สิ่งที่มันไม่ดีโยนให้พ่อให้แม่นมี่มีแต่โกรธตะเกียดแต่ชังพ่อแม่อย่างนั้นไม่ใช่พูดแสดงไม่ใช่ลูกกระตันอยู่อันนั้นแป็นวันลูกที่ไม่รู้บุญคุณลูกที่เนรคุณ พ, พ่อแม่อันนั้นไม่ใช่ว่าจัดว่าเป็นลูกที่ดีทาว่าเป็นลูกประเภทนั้นก็ว่าลูกที่ลากพ่อแม่ไปทางตับงั้นเถอะเพราะนั้นพวกเราให้สังเกต ให้ดูตนเองนะเดี๋ยพูดทางนี้ทางนั้นให้พวกเราสังเกตตัวเองถ้าหากพ่อแม่ของเรายังมีชีวิตอยู่พวกเราควรจะแสดงความกระตันยูอย่างไรกับพ่อแม่ของเราอันนี้คือบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนกรตันยูกัจเวททิตานะแสดงออกซึ่งของลูกจากนั้นก็พ่อแม่เป็นบุคพายการเป็นอาจารย์คนแรกของบุตรธิดาพ่อแม่จะต้องสอนจะต้อง ดูแลลูกของตนเองแต่ลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยขึ้นมาไม่รั่วขี่ไม่รั่วหัวเดี่ยวไม่รว่วถูกผ้าอะไรต่อมิอะไรทั้งพ่อทั้งแม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่เป็นผู้ดูแลลูกอย่างชุดๆร้องไห้มากพ่อแม่ก็อยากจะร้องไห้ด้วยเพ้อๆร้องไห้ด้วยลูกร้องไห้ไม่หยุดนะจากนั้นกด็ดูแลลูกของตนเองกินยังไงนอนยังไงนอนหลับยังไงยุงกัดยังไง อย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นว่าลูกดูแลแต่พ่อแม่ดูแลลูกจากนั้นพอรู้เรียนสาภาวะขึ้นมาเขาพยายามสอนลูกของตนเองแต่พูดอย่างนี้นะลูกนะขับท้ายอย่างนี้นะลูกนะอาบน้ำอย่างนี้นะลูกนะกินอยู่อย่างนี้นะลูกนะนอนอย่างนี้นะลูกนะผมผ่าอย่างนี้นะลูกนะเอ๊ะจางเพผยเผยจังขับกองท่านที่ลูกยังไม่ลูกภาษาอีกยังขับถอมให้ลูกนอนหลับอีกต่างๆ อันนี้แนหะพ่อแม่เป็นบุปเป็นบุปผาอาจารย์เป็นอาจารย์คนแรกของบททีธธ่ดาจากนั้นพอใหญ่ขึ้นมาปีสองปีทุกวันในปีสองปีเขาส่งเข้าอนุบาลแล้วเข้าโรงเรียนนะฝากให้ครูครูก็พยายามแนะนําสั่งสอนต่อไปแต่ถึงยังไงพ่อแม่ไปยังเป็นหูเป็นตายังใส่อกใส่ใจไม่ลดละในลูกของตนเองจากนั้นเขามาปฐ ม, มมัธยม ปริญญาตรีโทเอกจนลูกของตัวเองได้รับการศึกษาสูงส่งได้ทําหน้าที่การงานพ่อแม่จึงค่อยเบาใจแต่ถึงยังไงก็ยังรักลูกของตนเองสัมพันธ์ของลกูกตัดยากมากเพราะมันเป็นสายสัมพันธ์มันเป็นสายเลือดของพ่อแม่เพราะนั้นพ่อแม่จะมีเมตตากรุณามุทิตาเป็นหลักสุนอุปเปะขาไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อลูกตัวเองถึงครา ว, วิบัติ พ่อแม่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เลยอุเตขามีแต่เมตตากรุณามุติตาเป็นหลักเพราะฉะนั้นพวกเราศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนที่เรามีพ่อมีแม่เป็นแดนเกิดให้สานึกอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้แก่พวกเรื่องพวกเราได้ฟังได้ศึกษานี้หลวงพ่อได้นําำคำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศมาเผยแพร่ให้แก่พวกเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาคนนั้น จุดนี้ก็คือจุดหนึ่งเป็นบุญเป็นกุศลพ่อแม่เป็นพระอระหันต์ของบทศิดาพอใดพวกผู้ใดก็ตามถ้าทําไม่ถูกกับพ่อแม่มีแต่ผ้นทางจิตผายไม่เจริญรุ่งเรืองถึงตัวเองจะว่าเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานแต่จิตใจของเรานั้นบอดมืดบอดดำไม่สว่างนั้นเลึกดตึงเวลาใด ใจของเราก็ไม่สบายมีความทุกอยู่ในจิตในใจแต่ว่าพวกเราทําถูกทํานองครองทำแล้วพวกเราระลึกขึ้นมาเมื่อไหร่ใจของเราก็จะได้ความสงบร่มเย็นเป็นสุขนะนี่แหละขอให้พวกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายให้กำลึกถึงคุณบิดามารดาของตนเองมนุษย์ของเราพวกเราคิดดูให้ดีว่าความสุขที่แท้จริงของมนุษย์นั้นคืออะไรจะหาได้ที่ไหน ความสุขที่แท้จริงนั้นคืออะไรในหลักของคุณศาสนาพุทธพระองค์มีคําตอบในนั้นเสร็จนะแต่พวกเราหาหรดูซิว่าความสุขที่แท้จริงของเราเนี่ยคืออะไรมีเงินคำทรัพย์สมบัติมากใช่ไหมมียศฐานมันดาสักสูงส่งใช่ไหมมีวงศาคนาญาติอ้อมร้องมีบริ ษ, ษัตทบริวารมากใช่ไหมอยู่ดีมีสุขร่างกายไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บอย่างนั้นใช่ไหม เราพิจารณาดูไม่ดีถ้าเราพิจารณาดูว่าเราไม่มีโรคไตไตเจ็บเรามีความสุขเรามั่นใจไหมว่าอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าเราจะไม่มีโรคไตไ้เจ็บไม่มีใครที่จะหนีหนีพ้นไปได้ไม่ว่าจะโรคไตไ้เจ็บจนถึงตายจนถึงตายนี่แหละจะหาความสุขได้ที่ไหนร่างกายอ น, นี้แต่ถ้าว่าเรามียศถาบรรดาศักดิ์ ขึ้นมาคนที่จะเลื้อยขาเราหรือว่าจะแย่งตําแหน่งของเราไปก็มีมากพาพเพราะว่พาพะวันเพอเพอจะจิตตกกังวลเพอเพอจะเป็นบ้าเป็นบอกับรถตาแหน่งของพวกเราอีกและเมื่อเรามีเงินคำทรัพย์สมบัติมากมีเงินมากก็พร้อมที่จะทํำยังไงจนงินจะนนรักษาเงินของเราให้อยู่ได้ให้อยู่รอดปลอดภัยอันนี้ก็เป็นทุกอิจเหมือนกันวางแขนแล้ววางไหลแขนอีกรักษาเงินของตนเอง ก็เป็นทุกอีกเหมือนกันเพราะนั้นเราหาความสุขที่แ ท, ท้จริงนั้นหาได้ที่ไหนนี่แหละเพราะพด้เจ้าท่านเนี่ยไปหาอยู่ที่โทนต้นโพในวันเกินโบกเทนท่านได้ตัดสู้ในวันนั้นเพราะพรนะองค์หาที่ใจนะหาที่ใจความทุกขความสุขมันอยู่ที่ใจแต่ว่าความสุขนั้นมันความสุขที่ในความพอใจ่าเองสิ่งไหนที่พอใจสิ่งนั้นก็เป็นสุข แถมหมดหมดความพอใจแล้วสิ่งนั้นก็เป็นทุกมาแทนทุกมาแทนมาแทนที่เองเพราะเหตดอย่างพวกเราคิดเนี่กว่าพวกเราขณะนี้ได้ยศฐานบรรดาศักดิ์เราก็มีความสุขใจแต่อีกสักวันหนึ่งยศฐานบรรดาศักดิ์ของเราไม่ขึ้นไม่เกินเราก็เป็นทุกข์อีกเนะมื่อเราทานอาหารรสอร่อยและเป็นที่พอใจอีกสักวันหนึ่ง ต่อไปไฟภาคหนาเวลาหวดอุจร ะ, นะ่ะมันสุขเหมื้นมันก็ทุกข์อีกนะ่ะเพราะเหตุนั้นความสุขที่แท้จริงหาได้ที่ไหนมันมีความสุขจะบ่กเพียงพอในขณะที่พอใจในพอใจนั่นแหะคือความสุขในช่วงนั้นแต่ความพอใจนั้นไม่ใช่ว่าตลอดไปมันจะต้องมีความทุกข์เข้ามาแทนที่อีกอย่างเก่เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้ค้นหาให้ค้นหาความสุข อย่างที่พ่อพอุทธเจ้าพระหารสาวกที่พ่อแม่ครูบายการที่ท่านค้นหาท่านค้นหาเจอหาอะไร้าอยู่ที่ใจนะหาฟอมพอเพียงอยู่ที่ใจนะทํำยังไงจึงจะพอเพียงจากหลักของพระศาสนาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่ามีทานสิงาวนาเนะี่ยทานพวกเราก็จะจำบุญทําทานอย่พวกเราท่านทั้งหลายจะทําทานในวันนี้แต่เรื่องสิงคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าสิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินของพระพุทธศาสน า, าที่บัญญัติเอาไว้ก็คือสินห้าสำหรับพระว่าญาติโยมถ้าพวกเรามีสินห้าเท่านั้นน่ะจะปิดอบายวะผู๋ไม่ตกนรกนะสินห้าไม่ใช่สินเล็กน้อยนะถ้าท่านผู้ใดรักษาสินห้าให้พอที่สุดบริบูรณ์ได้พระพุทธองค์รับประกันได้เลยว่าไม่ตกนรกสินห้านั้นคืออะไรนะ<อ>พวกเรากคงจะทราบแบบคร่าวๆนะ แต่ไม่มีกูบายจารอธิบายให้ฟังอย่างชัดเจนแต่หลวก็จะพูดให้ฟังรวบลัดชัดเจนอีกต่างหากสิ่งที่เนี่ยคือข้อที่หนึ่งพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าฆ่ากันนะอย่าฆ่าสัตว์เนีมนุษย์ก็เหมือนเป็นสัตว์เลยอย่าฆ่ากันถ้าเราไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าวงศารนาญาติของเขาเราก็เสียใจถ้าเรามาฆ่าเขาล่ะมาฆ่าเราล่ะเราจะเป็นยังไงเราก็เสียใจเหมือนกับคนอื่นเขาเหมือนกันเพราะนั้นอย่าฆ่ากันให้ครบสิทธิ์กันนะนี่คือสิ่ข้อที่หนึ่ง ขินพอข้อที่สออาทินาทานอย่าขโมยค น, คนอื่นเขานะถ้าเราไปขโมยสิ่งของของเขาเขาระเสียใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งขโมยพ่อแม่ของเขาลูกเมียของเขามาเรียกค่าทายอย่างนี้ถ้าเขามาขโมยพ่อแม่ลูกเมียของเขาของเราไปเรียกค่าทายเราเราจะมีความรู้สึกยังไงก็ต้องเสียใจมากเพราะฉะนั้นอย่าให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันนะตามว่าต้องการความสงบเร่องเย็นเป็นสุขในชุมชนในสังคม สิ่งข้อที่สามมีสุนิชญาราเวรัมณีให้เคารพศิษ์กันนะ อ, อย่ า, าสามีภรรยาลูกหลานกองทัเขาเคัรสังวนของเทาเพราะนั้นเราให้เคารพศิษ์ของเขานะอย่าล่วงละเมิดเขานะาถ้าว่าต้องโลกทั้งโลกต้องการความสงบร่มเย็นเป็นสุขให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมนะอันนี้ก็คือสิ่งข้อที่3มข้อที่4มุสาวาทาวรมณี อย่าไปต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขานะถ้าว่าเราไปต้มตุนหลอกลวงเขาเขาก็เสียทรัพย์สินเสียความรู้สึกอย่างมากเพราะนั้นอย่าทำอย่าไปโกหกต้มตุนหลอกลวงเขาเขาพอ่อใหเจ้าท่านบอกว่าคนที่ชอบโกหกทั้งที่รู้รู้จะไม่ทำความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีเพราะนั้นพวกเราให้สังเกตดูนะคนที่ชอบโกหกเนะี่ยมากตอแหลหนะ้าตอแหลหลังอยู่ยังเรื่อย อย่าไปไว้ใจจะไม่ทําความชั่วจะอยู่เป็นไม่มีพอหลับตาเขามาก่อนพอทําความชั่วขึ้นมาเนก็นโต๊ะโกโกอกเพราะคนชอบโกหกมันหาความสัตย์จริงไม่ได้นีคนชอบโกหกกันอันนี้คือสิ่ข้อที่สข้อที่ห้าสุราเมรยาตมะชะประมา ก, การดื่มสุราและเมรัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนดื่มสุราเข้าไปแล้วมันขาดสติในเมื่อขาดสติทําความชั่วได้ทุกอย่าง ขีนพ่อที่หนึ่งก็ขาดขาดกระจุยเร็วนั้นแหละถ้าใครก็ได้อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นในสื่อต่างๆนั่นแหละคนขาดสติคนเมาเหล้านีมันขาดสติแล้วมันทําได้คนเมาเหล้าคนเมาพัญชา ย, ยาผินเฮโรอีนอยาบ่งยาบ้านี่คนขาดสติแล้วทําความชั่วด้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นสุรามีระยะมัชชะประมาณตัวนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเพราะฉะนั้น ศีลห้าของพระพุทธเจ้าให้พวกเราศึกษาดูให้ดีเป็นศีลคุ้มครองโลกจริงๆเป็นศีลที่ให้โลกทั้งโลกก่มเย็งเป็นสุดจริงๆถ้าโลกทั้งโลกไปยุคใดสมัยใดขาดจิิยธรรมยุโลกยุคนั้นใช่ไหมนักสมัยนั้นจะเดือดร้อนวุ่นวายไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นศีลของพระพุทธเจ้าทานก็นคือเป็นอยากให้พวกเราท่านทั้งหลายมีการเสียสละ คนที่มีทานไปว่าสงบร่มเย็นเป็นสุขพ่อแม่ของเราก็ให้ทานแก่ลูกลอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวพวกเราก็ให้ทานแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทําบุญทําทานกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์สิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมเราก็ทำคุณประโยชน์ให้แก่นั้นเสียสละไม่ใช่ว่าเรามีเท่าไหร่เราทําทั้งหมดไม่ใช่เรามีทั้งหมดเราไม่ทําบุญทําทานผิดตัวนี้ผีเนี้ยทั้งหมดไม่ใช่ เราต้องรู้จักแบ่งแบ่งปันเราทําขนาดไหนไม่หนักเราเกินไปเราจะทําขนาดไหนเพื่อจะเสียสละให้แก่ชุมชนสังคมแล้วก่อนในพุทธศาสนาคนที่ทําบุญทําทานเกิดมาในพบใดชาติใดจะเป็นผู้เมตอดไม่อยากเกิดมาในชาติหนาชาตินี้เราทําบุญทําทานเกิดมาพบหน้าชาติหนาบุญกุศลที่เราทําทานนั่นแหละจะเพื่อคุณนุน ไม่ว่าจะชาติน่นะชาตินี้ก็เถิดนะหลวงพ่อเคยได้ยินศรัทธา ญ, ญาติโยมพูดมามากต่อมากนีที่เขาไปตั้งโรงทานในสถานที่ต่างๆตามวัดวาศาสนาที่ครูบาอาจารย์มีงา น, นเนี่ยเขาแห่กันไปตั้งโรงทานแต่ตามไม่ยินการตั้งโงทานมันเสียของนะแต่พอไปตั้งโรงทานนะใจของเขาเบิกบานและอันในสงทานของเขาน่ยมันเป็นพลังนะมันเป็นพลังเพื่อกูลหนุนทางจิตใจลึกๆ เหมือนตัใจของเราเนี่ยใจของเราเนี่ยมองไม่เห็นใครมองเห็นใจใครบ้างมองไม่เห็นมองไม่เห็นเลยตาเนือ้อแตมันเป็นพลังมันเป็นพลังบังคับให้ร่างกายวิ่งก็ได้เดินก็ได้โคดก็ได้อยากหลงผ่อนเนีใจบังคับให้หลงพอโคด เ, เนี่หลงใจของหลวงพอคิดแล้วก็พูดออกมานี่แหละใจมันเป็นพลังจะได้บุญกุศลไปเครือกูนหนุนใจจริงเมื่อเราไปทําบุญทําทานแล้วเรากลับมาถึงบ้านทํากิจการงานสิวงไหน ไม่น่าจะสําเร็จรุ่วงไปก็สำเร็จรุ่ร ว, มรรรวมไปได้เพราะเหตุไรเพราะอันนี้สงทานเพื่อคุณิยนั้นสัพทายาติโยมจริงไปทําบุญทําทานตั้งโรงทา น, นละละละหลายแห่งบางทีเป็นเลนหลายร้อยโลทําแล้วก็ทําอีกทําแล้วก็ทําอีกเพราะเหตุไรก็ทําแล้วจิตใจสบายและกิจการงานของเราบอกราบรื่นอย่างลวงตามหาบัวท่านพูดว่าผู้ใดก็ตามทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลแล้ว จีบหายปนพี่ลงไปให้มาเอากับเราเราจะแทนทุนให้แต่ว่าการทนนะําบุญนั้นต้องทําด้วยปัญญานะต้องทําด้วยปัญญานะไม่ใช่ว่าจะทําแบบง่ๆก็ได้แต่ทำด้วยปัญญาคือทําด้วยความรอบคอบคนถึงไหนคนจะเสียสละทิ้งไหนคนจะทำํำถ้าทําด้วยปัญญาและไม่มีไม่มีโคจรทางแห่งความจปบา่านเว้นเสียแต่ทาขึ้นมาแล้วนุ่นพอทนนะําบุญแล้วไปหาแทงบัตรแทงหวยแทงเบอร์อนะไรงี้ย แม่เมื่อจิบขายแน่เสิเพราะมันเป็นอบายยมุกนะแต่ถ้าเมื่อเราทําบุญทําทานแล้วเราพยายามทํามาคฆาขายมันขยันอดทนอุทานะสัมปทามันขยนันอรักขาสัมปทาให้รักษาทรัพย์ที่แสวงหามาด้วยความยากลําบากอย่าไปให้มันเสียหายหคิดก่อนก่อนใช้ก่อนใช้คิดก่อนให้รอบพ่อคนคนก่อนใช้อรักษะสัมปติปทานกัลยาณมิตร ไห้พบเพื่อที่ดีงามจะไปพบคนเลวคนชั่วอย่าไปพบคนนักเลงหัวไม้กัลยาณมิตรสำมาลชีวิตตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบอย่าไปโคบไปกงไปป้นไปจี้เขามาเลี้ยงชีวิตของเรานี่แหะหลักของพระพุทธศาสนาถ้าพวกเราปฏิบัติได้อย่างนี้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะ่นแต่ทีนี้ถึงจะเจริญรุ่งเรืองในโลกขนาดไหนก็ตามแต่พวกเราต้องคิดเอาไว้อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวต้นตนว่าตายแล้วไม่สูง อย่างเข้าฟังทีส่าที่ท่านได้พูดเป็นกราบทูลพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้ายืนยันที่โผล่ตนโพว่า ต, ตายแล้วไม่สูญปกเพนิวาสารุจติยาณละลึกชาติผลหลังได้ถ้าว่าท่านเกิดมาชาติเดียวท่านจะละลึกระลึกได้อย่างไงเมื่อตั้งแตเราเกิดมาในวันนี้ใช่ไหมเรามีวันนี้วันเดียวเราจะระลึกเมื่อวานนี้ได้อย่างไงแมื่วันก่อนเราจะระลึกได้อย่างไงอาทิตย์ก่อนเดือนก่อนปีก่อนเราเกิดมากี่ปีเราระลึก ย้อนหลังได้ด้วยบันทึกประจําวันอย่างนี้เราบันทึกได้เพราะอะไรเพราะว่าเรามีอดีตแต่ที่พระพุทธเจ้พพจพพจาของเราท่านมียาณทัศนะอย่างละเอียดท่านจึงระลึกข้ามภพข้ามชาติได้เนี่ยเป็นหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นหลายแสนชาติชาติที่พระพุทธเจ้าได้ตั้งความปรารถนาด้วยชาติฉันชาติไหนที่พระพุทธเจ้าได้บําเพ็ญแล้ว ได้รับพยากรณ์จากพระ พ, พุทธเจ้าทีปังปอนในสมัยนั้นสุมเมธาดาบทได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าทีปังกรนนี่นพระพุทธเจ้าท่านท่วงบดอดอดีตชาติของพ่อเพราะนั้นพวกคณะจัตยานญาติโยมทั้งหลายที่ได้ฟังได้ยินได้ฟังหลวงพ่อพูดในวันนี้ให้พวกเรามีศรัทธาหรือความเชื่ อ, อมีความเชื่อวิริยะความเพีย ก็ติให้จิตใจมั่นคงสมาธิคือคือตั้งใจมั่นปัญญาให้รอบรู้ในสิ่งต่างๆนี่เราภาระคือกําลังของของเราห้าอย่างในคนที่ไม่มีความเชื่ออะไรเลยไม่มีศรัทธาคือความเชื่อแล้วเราจะมีแก่จิตแก่ใจพอพุทธปฏิบัติทำจะทําบุญทําทานได้อย่างไงไม่มีทางเราจะเพียงพยงพายามเพื่ออะไระก็ไม่มีทาง และสติของเราคนเหมือนกับคนเป็นบ้าไม่รู้จักสิ่งดีสิ่งชั่วไม่อะไรเพราะขาดสติคนไม่มีสติแล้วจะดีได้อย่างไรและสมาธิจิตใจของเราไม่มั่นคงจิตใจไม่ไม่นิ่งจิตใจหิวโหยจิตใจวุ่นวายจิตใจกระสับกระส่ายแล้วจะหาความสุขได้อย่างไรปัญญารอบรู้ว่าสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรใครตองด้วยเหตุกละผลนี่แหละ นวัวภาระคือทําเป็นกําลังห้าอย่างเพราะนั้นพวกเราควรจะมีเนี่ยกลังอ่อนหรือกาลังแก่หรือมีสักข้อหนึ่งก็ยังดีนี่คือความเชื่อเชื่อตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านอยู่ในป่าตรงคขงไปอย่างหลวงปู่มันหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราได้ศึกษาไปถามท่านรสีว่าเนีครูบาอาจารย์เป็นยังไงตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสุญนะ่ะอย่างหลวงพ่ออินเนี่ย อย่ที่หลวงพ่อกาลังพูดเกี่ยวเดี๋ยวนี้นะหลวงพ่อฝากฝังชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาแต่อายุ12ปีจนถึงอายุ56ปีปีนี้หลวงพ่อว่าตายแล้วเกิดในตายแล้วสูงถ้าพวกเรานึกถามในใจนะหลวงพ่อตอบก่อนเลยว่อนหลวงพ่อเชื่อ เ, อเชื่อรอเปอร์เซ็มีเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์หลวงพ่อเชื่อหมดว่าตายแล้วเกิดอีกแน่นอนเชื่อที่ไหนเชื่อในขณะที่ทําสมาธิเมื่อจิตสงบเข้าไปแล้ว จิตสงบเป็นหนึ่งแล้วโลวงผ่อนรู้ได้ด้วยตนเองว่าเออใจนี้มันโดดเด่นจริงๆมันเหมือนกับรถกับคนขับรถอย่างนั้น่ะรถไม่ใช่รถไม่ใช่คนขับคนขับไม่ใช่รถแต่มันอาศัยกันร่างกายกับรูปประธรรมกับ น, นามธรรมเป็นอย่างนั้นแหละเออรูปประธรรมคือร่างกายนามธรรมนั้นคือคจิตใจแต่อาศัยกันอยู่แต่เมื่อรูปประธรรมคือร่างกายเนี่ย มันทุกคุณภาพนะมันแก่มันชราเหมือนกับรถของเราเราใช้เป็นนานสิบยี่สิบปีลูกศุรมันติดมันเกิดสนิมเปิดไปหมดผลที่สุดมันก็ตายเนี่ยซ่อมยังไงมันก็ไม่ขึ้นมันตายรถมันดีนะอมได้ซ่อมได้นะแต่คนที่ทำมันหัวใจแตกสมองแตกเท่านั้นแหละมันหมดเลยเท่านั้นแหละหัวใจล้มเหลวเนี่ยตายมากต่อมากแล้วอันนี้ก็เหมือนกันรถของเราถ้าลูกศุกรติดอย่างเนี้ย โชเฟอร์จะฝีมือขนาดไหนไปขยับขยอขนาดไหนมันก็ไปไม่ได้เรพราะเหตุเพราะรถมันตายอันนี้ผ็เหมือนกันร่างกายของเรามันตายก็เช่นเดียวกันกับรถตายนั่นแหละแต่วิญญาณของเราเนี่ยมันไม่ตายนะทีนี้มันออกจากร่างออกจากร่างไปปฏิสนธิในภพภูมิต่างๆถ้าเราเป็นผู้มีบุญถ้าเราเป็นผู้มีบุญมีกุศลบุญกุศลนั่นแหละจะเพื่อกุลหนุนดวงวิญญาณนั้นเพราะนั้นการที่พวกเราได้มาสร้างบุญสร้างกุศลในวันนี้นะ เอ่ยมาไหว้พระสวดมนต์จากนั่นก็ได้ทำบุญทําทานได้ฟังธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์อย่างวันนี้อย่างเดียวนี้นี่แหละนี่แห ล, ะ, ละเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจคือหาเงินใสใใ่ให้ให้ใส่กระเป๋โซเฟอร์วันนันไดนพูดง่ายๆหาเงินใส่กระเป๋าโซเฟอร์แต่ถ้าว่าโซเฟอร์มีรถขึ้นมาแล้วมีแต่กินมีแต่เที่ยว สนุกสนานเถื่อนเพลนิฮากินเหล้าเมายาสุลานารีไม่ได้หาเงินใส่กระเป๋าตัวเองในเมื่อรถคันนั้นมันเก่าแก่ค้าค้ำคลาชลามาแล้วแล้วโซเฟอร์นั้นจะทํำยังไงโซเฟอร์นั้นก็หมดสภาพไม่มีเงินในกระเป๋า เ, เมื่อรถคันนั้นเสียแล้วออกเดินออกจากรถออกอตกมาจะได้เงินในกระเป๋าก็ไม่มีแต่ขนาดจะกินข้าวก็ยังมีข้าวที่จะกินเพราะองไรเพราะไม่มีเงิน วิญญาณไม่มีเงินก็เหมือนกับวิญญาณไม่มีบุญนะคนไม่มีบุญวิญญาณไม่มีบุญก็อย่างนั้นแหละเหมือนกับคนไม่มีเงินอย่างนั้นแหะขอให้พวกพวกเราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาพบพระธรรมคำพบพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพบ พ, พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่แนะนําสั่งสอนธรรมะภาคปฏิบัติชี้แจงแสดงให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นวพวกเราทั้งหลายจะตั้งอยู่ในความประมาทอย่างที่ลพบุรี ทำบ่อที่ท่านพูดว่าขยะวยธรรมมาสัาง่งฆาราอัปประมาณะนัซัมปาเดธพระพระพุทธเจ้าก่อนที่จะปรินิพานวันเดือนหกเพนวจวนจะสว่างพระพุทธเจ้าสั่งเสียพระสงฆ์สั่งเสียพุทธรบริษัท ส, สีขอโ์ว่าขยวัวยธรรมมาสัาง่งฆาราอัปประมาเดนัซัมปาเดธะสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เทียมนะพวกท่านทั้งหลายเนาะ อีกไม่นานเนี่ยเราจะทิ้งลวเราจะตายแล้วพูดง่ายๆขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดอันนี้คือพระพุทธเจ้าสั่งเสียเป็นวาจาสุดท้ายพวกเรานำมาสั่งมาสอนมาวิเคราะห์มาพูดกันพูดขึ้นเวลาไหนเวลาใดเพราะท่านสมัอยู่เวลานั้นเพราะว่า สังขารทั้งหลายเป็นของไม่เทีย่ยงเกิดมาแล้วไทยจะอยูย่ชั่วฟ้าดินสลายไม่ตายมีไหมในโลกเกิดมาเท่าไหร่าตายเท่านั้นแล้วก็ยังประโยชน์ตนประโยชน์ตนเมื่อจะมีชีวิตอยู่ก็จะตั้งอยู่ในความประมาทพยายามหาเงินสั่งคำทรัพย์สมบัติเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบอย่าไปรอกลวงไปปนไปเปิ้ไปโกงเขามาเลี้ยงชีวิตเราชีวิตของเราหาดโดยน้ําพักน้ําแรงก็ให้ ด้วยความหมั่นความขยันอันนี้เรียกว่าประโยชน์ตนส่วนประโยชน์ท่านเมื่อเราหาเงินคําทรัพย์สมบัติได้แล้วเราควรสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์พ่อแม่ของเราสามีภรรยาลูกหลานของเราวงศานาญาตของเราบำบุงพุทธศาสนาและแต่เราสรงสมคุณงามความดีไม่ได้ประมาทคือหาเงินคําทรัพย์สมบัติเข้าสู่กระเป๋าวิญ ญ, ญาณกระเป๋าใจของตนเองนั่นแหละทีนี่เราออกจากร่างนี้แล้ว เราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญนะไม่มีความเสือ่อมไม่ต้องตกทุกข์ใดอยากวันนั้นชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายหลงพอไปนสถานที่ใดหลบงพอบอกว่า เ, าเดี๋ยวนี้เมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วยกมาถูดเข า, เ, าเขียนได้ใบพ่า ส, สปอร์ตแล้วเขากา็ไปติดต่อวีซ่านะ เ, าเดี๋ยวนี้วีซา่าอีกไปนาน เขารับไปแล้วว่าเราจะไปประเทศไหน เ, เราเกิดมาแล้วนะอีกสักวันหนึ่งเขาจะส่งวีซ่ามาให้เรานะ เ, เมื่อเราได้รับวีซ่าแล้วนะเราจะเดินทางต่างประเทศนะในเมื่อเดินทางต่างประเทศก็ไม่มีวันกลับหายเงียบไปเลยเองพออะไรก็ส่งขึ้นเมนกับเขากันละกระจกมีตะกระดุดคนเองเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเกิดมาแล้วตายไม่เป็นอย่างอืงอ่นเพราะนั้นก่อนที่จะตายพวกเราควรจะ ส, มสมั่งสมคุณงามความดี อย่าตั้งอยู่ในความประมาทอย่างที่ว่านั่นแหะจิตไหนที่เป็นบุญเป็นกุศลให้ทําสิ่งนั้นจิ่งไหนที่เป็นบาปอกุศลอย่าทำเนีเมื่อเราทําไปแล้วจะมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายรักก็จะไปรักมากเกลียดก็จะไปเกลียดมากโกรธก็จะไปโกรธมากไม่รู้จะรักจะเกลียดจะโกรธไปเพื่ออะไรมากมายนักหาต่างคนก็ต่างมาเกิดต่างคนก็อยู่ไปเป็นวันวันเออเราใหญ่ขึ้นมาแล้วจึงไฟเห็นกันจากนั้นก็ต่างคนก็ต่างตาย หีจากกันเพะนั้นในฐานะที่อยู่ด้วยกันถึงจะเป็นพ่อแม่ลูกอย่าวงศาคณาญาติควรจะสั่งควรจะทํำคุณงามความดีเพื่อคุณหนุนกันสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีกับพูดกันเชิดพูดทาในสิ่งที่ดีนะถ้าสิ่งที่มันช่วยชาติเสียหายเรลวทรามอย่าทําให้แก่กันพอทำเข้าไปแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์ทั้งเขาทั้งเรามีแต่ความเกิดร้อนวุ่นวายนะกนะนะารพูดการแสดงทำในวันนี้นะที่หลวงพ่อได้ยก เป็นพุทธภาสิตึ้นว่าปูชาจะปูชนียา น, นังเอตมัมบังคารมุตตับังนีคือบูชาบุคคลที่ควรบูชาอย่างหลวงปู่เจริญของพวกเราเนี่ยท่านเป็นเป็นบุคคลที่รู้ราตียาวนานเป็นบุคคลที่ท่านให้พระคุณแก่พวกเราท่านทั้งหลายท่านแนะนําสั่งสอนพวกเรา ส่องสอนลูกหลานที่น้องของเราอย่างท่านพระอาจารย์สาครอย่างเนี้ยที่ท่านเป็นผู้มาสร้างวัดมณีการแห่งนี้หลวงพ่อเองเขาไม่คาดไในคิดเหมือนกันนะหลวงพ่อไม่เคยมาเลยในวัดมณีการหลวงพ่อมาวันนี้เป็นวันแรกหลวงพ่อได้มาเห็นแต่ท่านพระอาจารย์สาครเนี่ยเป็นเมื่อเป็นเพื่อนคณะนะเป็นเพื่อนกับหลวงพ่อสมัยก่อนอยู่ทางอุดรจุฬาจักรวรรท่านก็เป็นพระอุปธรมประถานหลวงปู่ฟั่งฮะ หลวงพ่อเองไปอยู่บ้านตาแต่ก็รู้จากกันดีเป็นมาหาสูรแต่พอหลังๆเนี่ยหลวงพ่อก็ได้ไปเห็นวัดอยู่เมืองการวัดทองทพระภูมของท่านกขาไหวสร้างใหญ่พอแรงแล้วยังมาเห็นแท่าสร้างวัดมณีการแห่งนี้อยู่โอ้หลวงปู่สาครไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะเออใช่ว่าผู้มีบุญหนักสักใหญ่ว่าอย่าง น, านั้นของ่านเ หลวงพ่อได้ชูไม้ไผ่พ็หลวงพ่ออยู่ในป่าดงพ่อไทยอยู่ในป่าดงแ่หมดมิดเ่เหมือนกับกบตัวหนึ่งแล้วว่างั้นเถอะเออเวลาัทธา ญ, ญาติโยมมันจะกระโดดลงน้ำตนเองนะวนนั้นวันนี้หลวงพ่อเรมาสู่วัดมณีการและก็ได้ทาบุญครบรอบ อ, อายุ80ปีของหลวงปู่เจริญ น, นับว่าเป็นมงคลมหามงคลอย่างยิ่งคณะคาถา ญ, ญาติโยม ทั้งหลายที่ได้มาร่วมทำบุญก็เป็นชริตเป็นมงคลสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายวันนั้นการพูดการแสดงธรรมในวันนี้ก็เห็นว่าส่งควรกับการเวลาด้วยอํานาจคุณภาษีรัตนกรพระโคตรยาวพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองขอให้พวกเราทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเย็นใจปราถนาสิงใดอยู่ในกรอบของศีลธรรม ผมขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการเพลิน